ทำอันเป็นปัจจัยซึ่งเป็นใหญ่กว่าเราทำที่มีความเป็นไปเนื่องกับตนชื่อว่าอธิปติปัจจัยคำ ท, ที่ชื่อว่าอนันตระปัจจัยเพราะอาิวิเคราะห์ว่าไม่มีระหว่างขั้นปัจจัยนี้กับปัจจยุ ป, ปนธธรรมวงเล็เปิดคือไม่มีปัจจัยธรรมอื่นเกิดแทรกในระหว่าง ทาอันเป็นปัจจัยไม่มีระหว่างขั้นพร้อมคือด้วยดีเพราะไม่มีสันฐานชื่อว่าสะมะนันตะปัจจัยทำที่เกิดขึ้นแล้วดับไปก่อนๆสามารถให้จิตุบา ท, ที่เหมาะสมเกิดในลำดับตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอนันตะปัจจัยและว่าสะมานันตะปัจจัยความจริง ปัจจยธรรมทั้งสองนั้นต่างกันเพียงพยัญชนะเท่านั้นแต่ว่าโดยความหมายคําแม้ทั้งสองเป็นชื่อของปัจจยธรรมที่ดับไปโดยไม่มีทำอื่นขั้นในระหว่างด้วยดีอย่างเดียวกันนั่นเองความจริงความต่างกันโดยความหมายของปัจจยธรรมทั้งสองนั้นหาไม่พบแน่แท้ส่วนคําที่ท่านอาจารย์บางพวกกล่าวว่าทำที่ชื่อว่า เป็นอนันตรปัจจัยเพราะไม่มีระหว่างโดยอัดดวงเล็บและทำที่ชื่อว่าเป็นสมานันตรปัจจัยเพราะไม่มีระหว่างโดยการดังนี้ย่อมผิดกับพระบาลีว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชานแห่งพระอริยบุคคลผู้ออกจากนิโรสมาบัตย่อมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัตโดยสมานันตรปัจจัยดังนี้เป็นต้น เพราะในวาสัญญานาสัญญายตนาชานซึ่งดับไปแล้วในการมีเจ็ดวันเป็นต้นก็ยังเป็นสมนันตระปัจจัยแก่ผลสมาบัติได้ฉะนั้นบัณฑิตอย่าทำความยึดมั่นพึงเชื่อความต่างกันในปัจจัยทั้งสองนี้แต่โดยเพียงพยัญชนะเท่านั้นไม่พึงเชื่อโดยอัดความจริงมีความต่างกันโดยเพียงพยัญชนะเท่านั้นอย่างนี้ว่า ความดับแห่งธรรมโดยสามารถให้ธรรมอื่นเกิดขึ้นได้โดยไม่มีธรรมอะไรขั้นในระหว่างธรรมที่เกิดก่อนดับไปและธรรมที่เกิดภายหลังเกิดขึ้นชื่อว่าความเป็นอะนันตระปัจจัยความดับแห่งธรรมที่สามารถเพื่อจะให้ธรรมอื่นเกิดขึ้นได้โดยไม่มีธรรมอะไรขั้นในระหว่างด้วยดีคล้ายกับนำเข้าไปรวมกันกับตนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า ทำนี้อยู่ข้างบนแต่ทำนี้ทำนี้อยู่ข้างล่างค่ะทำนี้อยู่โดยรอบดังนี้ชื่อว่าความเป็นสะมะนันตระปัจจัยก็ภาวะที่เนวสัญญานาสัญญายตนาชานแม้ที่เป็นปัจจัยแก่นิโรธสมาบัติและจุติจิตซึ่งเกิดขึ้นก่อนแต่การเกิดขึ้นในอสัญยีภพ มีความสามารถในการยังผลละจิตวงละเปิดคืออนาคามีผลละจิตหรืออรหัตตผลละจิตวงละปิดและปฏิสนธิจิตซึ่งแม้จะเกิดขึ้นในการอื่นก็ให้เกิดขึ้นได้โดยติดต่อกันและในการให้เกิดขึ้นคล้ายกับนำเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันย่อมมีได้เพราะไม่มีอรูปธรรมที่มีชาติเสมอกัน เข้าแทรกแฝงในระหว่างและเพราะรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มีชาติต่างกันไม่สามารถจะแทรกแฝงในระหว่างได้เพราะเหตุนั้นแม้ในวสญญ า, าสัญญาณสัญญาจตนาฌานและจุติจิตทั้งสองนั้นจึงเป็นอนันตระปัจจัยและสามานันตระปัจจัยได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่มีความแตกต่างกันโดยธรรมบัณฑิต ก็พึงเชื่อความแตกต่างกันโดยเพียงอัดแห่งอุปสรรคที่ต่างกันด้วยสามารถเวนัยสัตว์ทั้งหลายผู้จะรู้ได้โดยประการนั้นนั้นแลสภาวะธรรมเป็นปัจจัยแก่เราทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยภาวะที่เกิดขึ้นร่วมกันเปรียบเสมือนดวงประทีปเป็นปัจจัยแก่แสงสว่างฉะนั้นเพราะ เมื่อตนไม่เกิดขึ้นแม้ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นร่วมกันก็เกิดขึ้นไม่ได้ชื่อว่าสหชาตปัจจัยได้แก่ธรรมทั้งหลายคือนามขันธ์สี่ประการมหาภูต ร, รูปสี่หาทายวัตถุและวิบากจิตทั้งหลายในขณะปฏิสนธิ สภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยแก่เราทำที่กระทําอุปการะแก่ตนโดยภาวะที่ช่วยอุดหนุนกันและกันเปรียบเสมือนไม้สามอันช่วยค้ํายันกันและกันฉะนั้นชื่อว่าอัญญมัญญะปัจจัยสหาชาตปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยสองประการเหล่านี้มีข้อความต่างกันดังนี้ก็ภาวะที่ทํา ทำอุปการะด้วยอำนาจความมีอุปการะแก่กันและกันนั่นแหละชื่อว่าความเป็นอัญญามัญญะปัจจัยในวงเล็บส่วนภาวะที่ทําทําอุปการะแก่กันและกันด้วยเหตุเพียงเกิดร่วมกันไม่ชื่อว่าความเป็นอัญญามัญญะปัจจัยจริงอย่างนั้นปัจจยธรรมบางอย่างซึ่งมีปกติเป็นสหชาติปัจจัยนั่นแหละก็ไม่ชื่อว่าเป็นอัญญมัญญปัจจัยเพราะ พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงยกนามธรรมซึ่งมีปกติเป็นสหชาตปัจจัยแก่จิตตะชรูปทั้งหลายขึ้นแสดงว่าเป็นอัญญมัญญะปัจจัยแก่จิตตะชรูปทั้งหลายและเพราะมิได้ยกมหาภูตา ร, รูปทั้งหลายในวงเล็บสี่ประการซึ่งมีปกติเป็นสหชาติปัจจัยแก่อุปาทายรูปทั้งหลาย ขึ้นแสดงว่าเป็นอัญญมัญญะปัจจัยแก่อุปาทายรูปทั้งหลายก็ท่าว่าภาวะที่ทำทำอุปการะแก่เราทำที่ทำอุปการะแก่ตนโดยภาวะที่เกิดร่วมกันเท่านั้นพึงเป็นอัญญมัญญะปัจจัยไซส้ในการนั้นสหชาติปัจจัยกับอัญญมัญญะปัจจัยก็ต้องเหมือนกันแล้วทเหล่านี้คือ ขัน4ประการเป็นที่อาศัยแก่นามธรรมและรูปธรรมที่เกิดร่วมกันดุดพื้นผ้าเป็นที่อาศัยแก่จิตตกรรมฉะนั้นมหาภูดรูปในวงเล็บ4ประการเป็นที่อาศัยแก่รูปธรรมที่เกิดร่วมกันและวัตถุในวงเล็บ6ประการเป็นที่อาศัยแก่วิญญาณธาตุจิต7ประการ ตามลำดับโดยอาการเป็นที่รองรับนั่นเองดุดพื้นดินเป็นที่อาศัยรองรับต้นไม้และภูเขาเป็นต้นฉะนั้นชื่อว่าน ah ิสยปัจจัยเพราะอธิบายว่าอันธ ร, รมทั้งหลายที่อาศัยอาศัยอยู่สภาวะธรรมเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยโดยภาวะที่มั่นคงชื่อว่าอ ah ุปนิสยปัจจัยเพราะอุปศัพท์ทฟงถึงความหมายว่าดียิ่ง ก็ท่านอาจารย์จากกล่าวประเภทแห่งอุปนิสัยปัจจัยนั้นในวงเล็บเองทมทั้งหลายเหล่านี้คือวัตถุหกประการและอารมณ์หกประการทาอุปการะโดยภาวะที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ก่อนจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันธรรมชื่อว่าปุเรชาตะปัจจัย ทำทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดภายหลังช่วยทําอุปการะโดยภาวะที่ช่วยอุปธรรมร่างกายซึ่งเมื่อไม่มีปัจฉาชาตปัจจัยก็ไปไม่ถึงความเป็นเหตุดํารงอยู่แห่งความสืบต่อกันชื่อว่าปัจฉาชาตปิปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยนั้นบัณฑิตพึงเห็นดุดเจตนาที่มุ่งหวังอาหาร เป็นปัจจัยแก่ร่างกายของลูกแรงฉะนั้นความยอมรับธรรมที่เหมือนกับตนโดยภาวะเป็นกุศ ล, ลธรรมเป็นต้นว่าเป็นธรรมที่มีชาติเสมอกับตนอันพิเศษโดยภาวะเป็นธรรมที่มีพลังคล่องแคล่วชื่อว่าอาเสวนาะดุษฎา ที่สะสมไว้ก่อนเป็นปัจจัยแก่ศาสตร์ที่สูงสูงขึ้นไปฉะนั้นเฉพาะเราทาที่มีชาติเสมอกันเป็นปัจจัยโดยอาเศวนะนั้นแก่เราทาที่มีชาติเสมอกันชื่อว่าอาเศวนะปัจจัย ความจริงทำทั้งหลายที่มีชาติต่างกันย่อมไม่สามารถจะยังทำทั้งหลายที่มีชาติต่างกันให้ยอมรับคติของตนกล่าวคือภาวะที่เป็นกุศลธรรมเป็นต้นอันพิเศษโดยภาวะเป็นธรรมที่มีพลังคล่องแคล่วได้ด้วยคุณคืออาสวนณะ และตนเองก็ไม่ยอมรับคติจากธรรมที่มีชาติต่างกันนั้นด้วยคุณคืออาเสวนะนั้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็ธรรมที่มีชาติต่างกันเหล่านั้นคือกุศลจิตฝ่ายโลกิยะในวงเล็บสิบเจ็ดดวงอากุศลจิตในวงเล็บสิบสองดวงและกิริยาชาวนะจิตที่ไม่ใช่อาวชนะจิตในวงเล็บสิบแปดดวงที่ล่วงเลยลาดับไปแล้ว เจตนาที่ช่วยอุปการะแก่ปัจจุ ป, ปันธรรมที่เกิดร่วมกันโดยภาวะที่เป็นกิริยากล่าวคือความพยายามแห่งจิตและแก่ปัจจุ ป, ปันธรรมที่เกิดในขณะต่างๆ ก, กันชื่อว่ากรร ม, มะปัจจัยวิบากจิตและเจตสิกกรรมทั้งหลายช่วยอุปการะโดยภาวะเป็นธรรมที่สงบปราศจากความพยายามแก่นามธรรมและรูปธรรม ที่เกิดร่วมกันโดยภาวะที่ตนสงบปราศจากความพยายามชื่อว่าวิปากปัจจัยความจริงวิบากจิตทั้งหลายมีผวังคจิตเป็นต้นชื่อว่าพึงรู้ได้ยากเพราะเป็นภาวะที่มีความสืบเนื่องกันสงบปราศจากความพยายามเหตุเป็นเพียงสภาวธรรม ที่สำเร็จมาจากกรรมที่สอดกระทมแล้วเพราะวิบากจิตเหล่านั้นอันบุคคลไม่พึงให้สาเร็จได้ด้วยความพยายามส่วนวิบากจิตทั้งหลายซึ่งเป็นเพียงกิริยาที่ปัญจวิญญาณจิตตกไปในรูปารมณ์เป็นต้นสมปติชนะจิตรับรู้รูปารมณ์เป็นต้นและสันติรนะจิต พิจารณารูปารมณ์เป็นต้นเป็นสภาวะที่จะพึงรู้ได้ยากแท้ภาวะที่ปัญจวิญญาณจิตสัมปติช น, นจิตและสันติรนณจิตเหล่านั้นรับรูปารมณ์เป็นต้นบันดตย่อมรู้ได้โดยความเป็นไปแห่งชวนจิตเท่านั้นแล อาหารสี่อย่างช่วยอุปการะโดยภาวะที่ช่วยอุปธรรมแก่รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายชื่อว่าอาหารปัจจัยความจริงเมื่อภาวะแห่งกรรมที่ให้รูปธรรมและอรูปธรรมเกิดแม้มีอยู่เฉพาะภาวะที่ช่วยอุปธรรมรูปธรรมและอรูปธรรมเท่านั้นเป็นหน้าที่หลักของอาหาร อาหารแม้เมื่อจะให้รูปธรรมและอรูปธรรมเกิดก็ให้รูปธรรมและอรูปธรรมเกิดคอยช่วยอุปธรรมไว้ด้วยอำนาจไม่ขาดสายนั่นเองเพราะเหตุนั้นภาวะที่ช่วยอุปธรรมรูปธรรมและอรูปธรรมนั่นแหละเป็นภาวะแห่งอาหารธรรม ที่เป็นปัจจัยโดยอดว่าเป็นใหญ่กล่าวคือการยังปัจจยุ ป, ปันธธรรมทั้งหลายให้เป็นไปตามตนในหน้าที่นั้นๆชื่อว่าอินสิยปัจจัยธรรมที่เป็นองชาญทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นเพ่งอารม์อย่างแน่วแน่คือเพ่งแน่วแน่ซึ่งอารมณ์และเพ่งแน่วแน่ซึ่งลักษณะในวงเล็บไตรลักษณ์ชื่อว่าชาญปัจจัย ธรรมที่เป็นองค์มรรคทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นช่วยอุปการะโดยอาจว่านำเหล่าสัตว์ออกจากสุคติจากทุคติจากบุญหรือจากบาปชื่อว่ามรรคะปัจจัยเฉพาะนามธรรมทั้งหลายแม้จะต่างกันโดยปรมัติก็เป็นดุดถึงความเป็นอันเดียวกัน ช่วยอุปการะโดยลักษณะแห่งสัมปยกกล่าวคืออาการสี่อย่างมีเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นชื่อว่าสัมปยุตตะปัจจัยวัตถุในวงเล็บภาษาไทยรูปจิตเจตสิกแม้เป็นสภาวะที่ประกอบด้วยความเกี่ยวเนื่องกันและกันก็ทำอุปการะโดยเข้าถึงความต่างกันเพราะ ไม่เกี่ยวข้องกันโดยความเป็นสภาวะพรากจากกันชื่อว่าวิปยุตตปัจจัยธรรมที่จะกล่าวอยู่โดยนัยะเป็นต้นว่าสหชาตังปุเรชาตังดังนี้ที่ทำอุปการะแก่ธรรมเช่นนั้นนั่นแลโดยภาวะที่ค้าจุนไว้โดยภาวะที่มีอยู่ซึ่งมีสภาวะเป็นปัจจุบันชื่อว่าอัติปัจจัย เมื่อความที่กรรมเป็นธรรมชาติให้เกิดแม้มีอยู่อธิปั จ, จัยทั้งหลายย่อมมีความพยายามดียิ่งเฉพาะในทิฏฐิขณะเท่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุ ธ, ธาจารย์จึงระบุเฉพาะความที่อธิปั จ, จัยเหล่านั้นเป็นสภาวะที่คํำจุนเท่านั้นจิตและเจตสิก ซึ่งดับไปไม่มีทำอื่นขั้นที่ทำอุปการะด้วยอำนาจให้โอกาสแก่จิตและเจตสิกซึ่งจะเกิดขึ้นในลำดับติดต่อกันที่ไม่ได้โอกาสเพื่อความตั้งมั่นอยู่แห่งตนเพราะเมื่อหมวดธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นตน้นหมวดหนึ่งกำลังเป็นไปอยู่หมวดธรรมมีภาษาเจตสิกเป็นต้นที่สองก็มีไม่ได้ชื่อว่านัตถิปัจจัย ทำทั้งหลายเฉพาะที่ทําอุปการะโดยภาวะที่ไปปราดแก่ทำทั้งหลายที่เป็นไปไม่ได้เพราะสภาวะของตนยังไม่ไปปราด ช, ชื่อว่าวิคตะปัจจัยอธิปัจจัยนั่นเองที่ทําอุปการะด้วยอํานาจไม่เข้าถึงความดับชื่อว่าอวิคตะปัจจัยแม้เมื่อความไม่แปล ก, กันแห่งทำทั้งหลายมีอยู่บัณฑิต ก็พึงเห็นความแปลกกันแห่งความที่ทำเหล่านั้นเป็นปัจจัยว่าความที่ทำทั้งหลายทำอุปการะด้วยเหตุเพียงความมีสภาวะชื่อว่าความเป็นอัติปัจจัยภาวะที่ทำทั้งหลายทำอุปการะด้วยอำนาจไม่เข้าถึงความดับชื่อว่าความเป็นอวิคตะปัจจัยบัณฑิต พึงยังสุดตะมยปัญญาให้เกิดขึ้นว่าทำเหล่านี้มีความแปลกกันอย่างนี้ด้วยศรัทธาในาพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความแปลกกันแห่งความที่ทำทั้งหลายมีความสามารถโดยอาการทั้งปวงแล้วจึงทรงแสดงปัจจัยยี่สิบสี่อย่างไว้ดังนี้ พึงทำความเพียรเพื่อความรู้ความต่างกันแห่งปัจจัยธรรมนั้นด้วยจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาพึงเห็นความหมายว่าแม้เมื่อมีความไม่แปล ก, กันแห่งธรรมที่มีความสามารถปัจจัยแม้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ข้างต้นด้วยอำนาจบุคคลที่จะพึงแนะนำโดยประการนั้นนั้นก็ตรัส โดยประการอื่นอีกเปรียบเสมือนแม้ตรัสถึงทุกกะที่กาหนดด้วยอเหตุตุกจิตแล้วก็ตรัสถึงทุกกะที่ท่านกำหนดด้วยจิตที่ปราศจากเหตุไว้อีกฉะนั้นนามได้แก่นามกล่าวคือขันธ์สี่เป็นปัจจัยแก่นามเช่นนั้นนั่นแหลโดยประการหคืออาการหก นามนั่นแลเป็นปัจจัยแก่นามและรูปที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยประการห้านามนั่นแหลเป็นปัจจัยแก่รูปที่แยกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปโดยประการหนึ่งซ้ําอีกอันหนึ่งรูปเป็นปัจจัยแก่นามโดยประการหนึ่งเท่านั้นบัญญัติธรรมนามและรูปเป็นปัจจัยแก่นามโดยอาการสองคือโดยประการสองอันหนึ่ง นามและรูปทั้งสองคือหมวดสองแห่งนามและรูปที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นปัจจัยแก่นามและรูปสองคือแก่หมวดสองแห่งนามและรูปเช่นนั้นแลโดยประการ9รวมความดังกล่าวมานี้ปัจจัยทั้งหลายดำรงอยู่แล้วโดยหกหมวดท่านอาจารย์คํานึงถึงว่าวิบากจิต ฝ่ายอภพยากฤิตวงแลเปิดคืออกุศลวิบา ก, กจิตเจ็ดวงและกุศลวิบากอาเหตุกจิตแปดวงวงแลปิดถึงความเป็นวิบากด้วยอํานาจกรรมถูกกาลังกรรมซัดไปเป็นไปประดุดตกลงรับสภาพของตนให้เกิดมีเต็มที่แล้วย่อมไม่ให้วิบากอื่นเป็นไปและย่อมไม่รับอานุภาพวิบากเดิมเกิด ก็เพราะพระบาลีว่าเพราะธทำที่ไม่ใช่มรรคเป็นปัจจัยในอาเสวนาปัจจัยจึงได้ปัญหาพยากรณ์ข้อหนึ่งดังนี้เป็นต้นบรรดากเริยาจิตฝ่ายอเหตุกตาทั้งหลายในวงเล็บสามดวงเพราะยกเฉพาะหสิตุปาถาจิตดวงเดียวเท่านั้นขึ้นเป็นอาเสวนาปัจจัยได้อาวัชนาจิตทั้งสองดวงวงเล็บเปิดคือปัญจทวาราวชนาจิตหนึ่งดวงมโนทวาราวชนาจิตหนึ่งดวงวงเล็บปิด จึงเป็นอาเศวนาปัจจัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉพาะชวนาจิตทั้งหลายเท่านั้นจึงถึงความเป็นอาเศวนาปัจจัยได้ดังนี้จึงกล่าวคำว่าปุริมานิชวานานิดังนี้เป็นต้นก็เมื่อมีถ้อยคำที่ไม่ต่างกันในคำว่าปุริมานิชวานานินี้ เพราะมิได้ทรงยกโลกุตระชาวนะจิตทั้งหลายขึ้นเป็นอาเศวนาปัจจัยบัณฑิตพึงเห็นเฉพาะกุศลชาวนะจิตฝ่ายโลกิยะในวงเล็บสิบเจดวงอากุศลชาวนะจิตในวงเล็บสิบสองดวงและอภพยากตาชวนะจิตในวงเล็บสิบแปดดวงเท่านั้นวงเล็บเปิดว่าเป็นอาเศวนาปัจจัยได้วงเล็บปิดก็ เพราะแบ่งอธิบายความไว้อย่างนี้ในอัตกถาคำพีปฐานพระอัตกะถาจาร์จึงกล่าวไว้ว่าส่วนโลกุตตรธรรมในวงเล็บโชวนาจิตที่ชื่อว่าเป็นอาเซวนาปัจัยได้ย่อมไม่มีความจริงบรรดาโลกุตระโชวนาจิตนั้นโลกุตระกุศลโชวนาจิตในวงเล็บสีดวงย่อมไม่ยังโลกุตระผลลจิตนั้น ให้รับเอาคุณคืออาเศวนะเพราะภาวะที่โลกุตระกุศลชวนาจิตนั้นเป็นไปก่อนโลกุตระผ ล, ละจิตที่ต่างชาติกันส่วนผลลจิตทั้งหลายในวงเล็บคือโลกุตระวิบา ก, กจิตสี่ดวงวงละปิดแม้จะเกิดขึ้นด้วยอำนาจเป็นชวนาจิตก็ไม่รับอาเศวนะ และไม่ยังวิบากจิตอื่นให้รับเอาอาเซวนะโดยนัยะที่กล่าวแล้วในวิบากจิตฝ่ายอัพยากฤินั่นแหละแม้คําที่ท่านอาจารย์ธรรมปาละเถระกล่าวไว้ว่าชัวนาจิตที่พ้นไปจากอาเซวนะย่อมไม่มีดังนี้นั้นบัณฑิตย่อมเข้าใจว่าท่านกล่าวไว้แล้วด้วยอํานาจโวหารที่เป็นส่วนมาก เมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้ท่านอาจารย์จะพึงเจี่ยวเนื่องถึงความเป็นผู้พูดโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเพราะไม่ทรงหมายถึงภาวะแห่งธรรมที่ต่างชาติกันด้วยอำนาจภูมิเป็นต้นจึงไม่มีถ้อยคำว่าแต่มัคจิตย่อมไม่รับเอาอาเซวนะจากโคตรภูจิตดังนี้ สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในคำภีร์ประธานว่าโคตรภูจิตย่อมเป็นปัจจัยแก่มรรคจิตวงเล็เปิดคือโสดาปฏิมรรคจิตวงเล็ปิดโดยอาเสวณปัจจัยโธทาในใจิตย่อมเป็นปัจจัยแก่มรรคจิตวงล็เปิดคือสกทาคามิมรรคจิตเป็นต้นวงล็ปิดโดยอาเสวณปัจจัยดังนี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์คำนึงถึงว่าความที่รูปธรรมทั้งหลายแม้ที่เกิดขึ้นร่วมกันเป็นสัมปยุตตาปัจจัยชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะไม่มีลักษณะแห่งสัมปโยกสี่ประการมีความเกิดขึ้นร่วมกันเป็นต้นดังนี้จึงกล่าวคำว่าจิตตะเจตสิกาธรรมาัญญมัญยังดังนี้เป็นต้นข้อว่าเหตุเปนามรูปานัง ความว่าเหตุธรรมองค์ชาญและองมักทั้งสามประการนี้เป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยเป็นต้นแก่รูปทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุดฐานในปฏิสนธิการที่มีจิตเป็นสมุดฐานในประวัติการและแก่นามทั้งหลายที่เกิดร่วมกันในการทั้งสองความจริงในคำว่าสหชาตารูปังดังนี้ทั้งหมด ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จักกล่าวว่ารูปบัณฑิตพึงทราบว่ารูปมีกรรมเป็นสมุตฐานในปฏิสนธิการมีจิตเป็นสมุติฐานในประวัติการข้อว่าสหาชาตาเจตนาได้แก่เจตนาที่เกิดร่วมกันโดยที่สุดแม้ร่วมกับจักรุวิญญาณจิตเป็นต้น ข้อว่าสหชาตานังนามรูปานังขวามว่าเจตนาแม้ทั้งหมดย่อมเป็นปัจจัยแก่น้ำเจตนาที่เกิดพร้อมในปฏิสนธิการย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุติฐานและเจตนาที่เกิดพร้อมด้วยจิตซึ่งเป็นตัวให้รูปตั้งขึ้นในประวัติการย่อมเป็นปัจจัยแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุติฐาน ข้อว่านานาคณิกาเจตนาความว่ากุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่บังเกิดในขณะตา่างกันจากขณะแห่งวิบากคือในอดีตพเป็นต้นข้อว่านามรูปานังคือแก่นามและรูปในปฏิสนธิการและปะวัติการแม้ทั้งสองที่ชื่อว่าวิบากขันได้แก่อรูปขันที่ เป็นตัววิบากมีปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นความจริงแม้รูปที่มีกรรมเป็นสมุติฐานย่อมไม่ได้การบัญญัติว่าวิบากเพราะความที่สับว่าวิบากจํากัดความในอรูปธรรมที่เหมือนกับกรรมนั่นเองโดยความเป็นอรูปธรรมและโดยความเป็นสภาวธรรมที่มีอารมณ์ ข้อว่าปุเรชาตัสอิมัสสกกายสัความว่าแก่รูปปายนี้ที่เกิดขึ้นก่อนแต่ปัจจยธรรมถามว่าก็ความที่ปัจจุ ป, ปันนธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เกิดในภายหลังในเมื่อตนเกิดก่อนจะมีได้อย่างไร ตอบว่าข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วมิใช่หรือว่าธรรมคือจิตและเจตสิกที่เกิดในภายหลังทำอุปการะโดยภาวะที่คำจุนร่างกายซึ่งเมื่อไม่มีปัจฉาชาตปัจจัยก็ไปไม่ถึงความเป็นเหตุแห่งความดำรงอยู่แห่งความสืบต่อชื่อว่าปัจฉาชาตปัจจัยดังนี้เพราะฉะนั้น ปัจฉาชาตปัจจัยนี้จึงมีความพยายามในการค้าจุนความเป็นเหตุแห่งความเป็นไปแห่งความสืบต่อเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีความผิดอะไรเพราะวัตถุมีจักขุวัตถุเป็นต้นไม่เกิดมีในปฏิสนธิการเพราะเมื่อวัตถุมีจักขุวัตถุเป็นต้นเกิดมีก็ไม่เข้าถึงความเป็นปัจจัยแก่วิญญาณจิตนั้นและเพราะหาไยวัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นร่วมกันกับปฏิสนธิวิญญาณจิตไม่มีความเป็นปุเรชาตาปัจจัยท่านพระอนุรุทาจารย์จึงกล่าวว่าฉะวัตถุนี้ประวติยังดังนี้เป็นต้นก็คําว่าปัญจาลพนานี้ปัญจวิญญาณวิทยานี้ท่านพระอนุรุทาจารย์กล่าวหมายถึงนิยต์ที่มาแล้วในนิเทศว่าด้วยอารมณ์ที่เกิดก่อน แต่ในปัญหาวาระเพราะแม้ความที่จะขูปัสสัททุพที่เป็นปัจจุบันเป็นต้นท่านระบุโดยความไม่แปล ก, กันโดยนัยเป็นต้นว่าเซฆะบุคคลหรือปุถุชนย่อมเห็นแจ้งจกักขูปัสาธรูปโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้แม้ธรรมารมซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนย่อมได้แก่วิถีจิตที่เกิดทางมโนทวาร ความจริงแม้โดยใจความย่อมเป็นอันสำเร็จคํานี้ว่าวิธีจิตที่เกิดทางมนโนทวานยึดธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันใดเป็นไปธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เกิดก่อนเพื่อวิธีจิตที่เกิดทางมนโนทวานนั้นทม ซึ่งเป็นที่เข้าไปอาศัยตามปกตินั่นแลคือตามสภาวะของตนที่เว้นจากปัจจัยอื่นนั่นเองชื่อว่าปกจูปนิสยปั จ, จัยมีคำที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าทำบางอย่างซึ่งเป็นที่อิงอาศัยแผนกหนึ่งนั่นเองไม่เจือปนกับอารมอย่างอื่นชื่อว่าปกตูุปนิสยัจจัย อีกอย่างหนึง่งทมซึ่งเป็นที่อิงอาศัยซึ่งเป็นปกติชื่อว่าปกตูปนิสยะปัจจัยก็ปอักษรในคำว่าปกโตนี้เป็นอุปสรรคอุปสรรคนั้นย่อมแสดงถึงความเป็นภาวะที่สัตว์ให้สำเร็จในสันดาน และความเป็นสภาวะที่สัตว์ซ่องเสพแล้วโดยความเป็นสภาวะที่มีความสามารถให้ผลของตนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกิเลสมีราคาเป็นต้นและคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นที่สมฤจแล้วในสันดานของตนหรือปัจจัยมีอุตุและโภชนะเป็นต้นที่สัตว์ซ่องเสพแล้วชื่อว่าปกตูปนิสยปัจจัย ก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ได้ชี้แจงไว้แล้วอย่างนั้นเหมือนกันบทว่าครุกตังได้แก่อารมณ์ที่พระโยคาวจรพิจารณาทำให้หนักแน่นจึงอย่างนั้นนิเทศเป็นไปแล้วด้วยอำนาจการพิจารณาถึงคานศีลอุโบสถกรรมฌานที่ตนบำเพ็ญและประพฤติมาดีในการก่อนโคตรภูยาน โวธานธรรมและมรรคเป็นต้นทําให้หนักแน่นโดยนัยเป็นต้นว่าบุคคลให้ทานสมาทานศียกระทําอุโบสถกรรมแล้วย่อมพิจารณาถึงทานเป็นต้นนั้นทําให้หนักแน่นดังนี้เพราะความที่อนันตรูปนิสสยปัจจัยไม่ทําความต่างกันกับอนันตระปัจจัยมาแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า กุศลละขันธ์ก่อนๆเป็นปัจจัยแก่กุศลขันธ์หลังๆโดยอนันตระปัจจัยท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าอนันตรนิรุท ธ, ธาดังนี้เป็นต้นแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นปัจจัยทั้งสองอย่างนี้มีความต่างกันดังนี้คือธรรมที่เป็นอนันตระปัจจัยก็ด้วยอำน า, ยาจยังจิต ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นในลำดับต่อจากตนธรรมที่เป็นอนันตรูปนิสยปัจจัยก็ด้วยอำนาจเหตุที่มีกำลังรุนแรงมีวาจาประกอบความว่าธรรมทั้งหลายมีราคาเป็นต้นและมีศรัทธาเป็นต้นวงและเปิดสุขเวทนาทุกขเวทนาบุคคลโพชนะอุตุวงและปิดและเสนาสนะ ทั้งที่มีภายในและภายนอกย่อมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมเป็นต้นและแก่วิบากแห่งกรรมตามสมควรความจริงรร ม, มีราคะเป็นต้นอันบุคคลให้สําเร็จแล้วในภายในบุคคลเป็นต้นอันบุคคลซ่องเสพแล้วในภายนอกสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่า ทำทั้งหลายมีราคะและศรัท ธ, ธาเป็นต้นอันบุคคลให้นอนแน่สนิทแล้วในภายในส่วนสัตว์และสังขารรัธรรมอันบุคคลซ่องเสพอาศัยแล้วในภายนอกอีกอย่างหนึ่งมีวาจาประกอบความด้วยอํานาจแห่งข้อความตามที่ตั้งอยู่นั่นแลว่าก็ทำทั้งหลายมีราคะเป็นต้นและศรัท ธ, ธาเป็นต้น สุขเวทนาและทุกขเวทนาบุคคลโภชนะอุตุเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งธรรมมีกุศลละธรรมเป็นต้นทั้งภายในทั้งภายนอกธรรมทั้งหลายมีราคะเป็นต้นและมีศรัทธาเป็นต้นของตนย่อมเป็นที่อาศัยแห่งกุศลลธรรมเป็นต้นของตนและของชนเหล่าอื่นผู้อาศัยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้น ของกัลยาณมิตรแล้วจึงทำกุศลบันดิตพึ่งเห็นความหมายตามสมควรว่าทานศีลอุโบสถฌานอภิน ญ, ญาวิปัสสนาภาวนา มักคะบาวนาและกิเลสมีราคะเป็นต้นที่สูงสูงขึ้นไปอันมีราคะเป็นต้นเป็นมูลเหตุย่อมมีเพื่อบุคคลอาศัยกามราคะเป็นต้นในบรรดาราคะเป็นต้นเหล่านั้นแล้วบังเกิดในกามมพบเป็นต้นและเพื่อให้กิเลสมีราคาเป็นต้นส ง, งบระงับความจริงทำใดๆอาศัยทำใดๆเกิดมี ธรรมนั้นนั้นย่อมเป็นปกตูปนิสยาปัจจัยแก่ธรรมนั้นนั้นสมจริงดังคําที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้ว่าความจริงปัจจัยธรรมนี้คืออุปนิสยาปัจจัยเป็นข้ออ้างใหญ่แห่งปัจจัยจริงอย่างนั้นท่านพระอนุรุธทธอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า ปกตูปานิสยปัจจัยมีมากอย่างดังนี้เป็นต้นบทว่าศรัทธาทโยได้แก่ศีลจาคะและปัญญาคำนี้ว่าก็คุณธรรมทั้งหลายมีทานและศีลเป็นต้นของตนยิ่งอาศัยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้นของตนย่อมมีได้ และคุณธรรมทั้งหลายมีทานและศีลเป็นต้นของชนเหล่าอื่นอาศัยคุณธรรมมีศรัทธาและศีลเป็นต้นของเหล่ากัลยาณมิตร ย, ย่อมมีได้เหมือนกันดังนี้ปรากฏชัดแล้วที่ชื่อว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาได้แก่สุขทางกายและทุกขทางกาย ที่ชื่อว่าบุคคลได้แก่บุคคลมีการยาณมิตรเป็นต้นที่ชื่อว่าโภชนะได้แก่โภชนะที่เหมาะสมเป็นต้นแม้อุตุก็เช่นนั้นเหมือนกันเพื่อจะขยายเนื้อความที่กล่าวไว้โดยย่อว่าอธิปติเปปั จ, จยาโหติดังนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าตัทธะ ครุกะตะมารำพนังดังนี้เป็นต้นบทว่าครุกะตะมารำพนังได้แก่อารมณ์ที่พระโยคา ว, ะวะจรพิจารณาทำให้หนักแน่นด้วยกิจมีความคล่องใจในการพิจารณาเป็นต้นความจริง อารมณ์นั้นแยกออกเป็นฌานมักผลวิปัสนาและพระนิพพานเป็นต้นชื่อว่าอารมณนพาาที่ปฏิปัจจัยเพราะอัตวิเคราะห์ว่ากระทาธรรมมีมักและผลเป็นต้นอันเป็นความคล่องใจในการพิจารณาให้เนื่องกับตนปัจจัยทั้งสองนี้มีความต่างกันดังนี้คือ อารมพนาที่ปฏิปัจจัยย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงความเป็นอารมณ์อันพระโยคาวาจรพึงทาให้หนักแน่นอารมพ น, ปนูปัิญายาปัจจัยย่อมมีได้ด้วยอาจว่ากระทาให้มีกำลังแรงแม้กว่าอารมพนาที่ปฏิปัจจัยที่พระโยคาวาจรทำให้หนักแน่น ข้อว่าสหชาตาเปนามรูปานังความว่าสหชาตาที่ปฏิปัจจัยแม้มีสี่อย่างคือชั้นทาธิปดีวิริยาธิปดีจิตตาธิปฏีและวิมังสาธิปดีย่อมเป็นปัจจัยแก่น้มและรูปที่เกิดร่วมกันด้วยอำนาจสหชาตาทิปฏิปัจจัยเฉพาะในประวัติการตามสมควร ความที่รูปธรรมอาศัยอรูปธรรมเป็นสหชาตาปัจจัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอำนาจทายวัตถุในปฏิสนธิการเท่านั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าวัตถุวิปากาอัญญมัญยงดังนี้ก็เพราะจิตกับเจตสิก มีภาวะเป็นอัญญมัญญปัจจัยคือช่วยอุปธรรมกันและกันทีเดียวไม่ใช่มีภาวะเป็นอัญญมัญญปัจจัยโดยเหตุเพียงเกิดร่วมกันเพราะเหตุนั้นรูปจึงไม่เป็นอัญญมัญญปัจจัยแก่นามทั้งหลายในปะวัติการฉะนั้นท่านพระอนุรุทธาาจารย์จึงกล่าวคำว่าจิตตะเจตสิกาอัญญมัญยงดังนี้เป็นต้น และอุปาทายรูปทั้งหลายก็เหมือนกันคือไม่เป็นอัญญมัญญปะปัจจัยแก่ภูตรูปทั้งหลายเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวคำว่ามหาภูตาอัญญมัญยังดังนี้เป็นต้นถามว่าก็ท่านพระอนุรุธทธาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าอาหารที่เป็นอรูปในวงเล็บเป็นน้ำ เป็นปัจจัยแก่นามและรูปที่เกิดร่วมกันดังนี้มิใช่หรือก็เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธพจนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารดังนี้พวกเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะอาหารที่เกิดร่วมกันไม่เกิดมีแก่พวกอสัญญีสัตว์เข้าไปเจ้าจะกล่าวฉเฉลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกําหนดถึงความหมายว่า กรรมที่เป็นไปตามอํานาจมโนสัญเจตนาอาหารเป็นปัจจัยโดยกรรมมปัจจัยหรือว่าอาหารทั้งหลายที่เหลือแม้ที่เกิดร่วมกับกรรมนั้นเป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยแล้วตรัสว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารไม่ใช่ตรัสไว้โดยความเป็นอาหารปัจจัยถามว่า ในคำว่าปัญจภาษาธาดังนี้เป็นต้นท่านพระอนุรุทธาจารย์มิได้ระบุถึงอิทถินีและปุริสินสีไว้มิใช่หรือตอบว่าจริงท่านมิได้ระบุไว้แม้ถ้าว่าอิทถินีและปุริสินสีเหล่านั้นจะมีภาวะให้อาการมีเพศเป็นต้นเป็นใบตามตนได้ แต่การให้อาการมีเพศเป็นต้นเป็นปลายตามตนได้นั้นก็ม่ใช่มีโดยความเป็นปัจจัยเปรียบเหมือนอย่างชีวิตและอาหารวงเลเปิดชีวิตรูปและอาหารรูปวงลปิดย่อมเป็นปัจจัยแก่ทำเหล่าใดก็ย่อมคอยเลี้ยงอุปัธรรมทำเหล่านั้นเป็นอัถิปัจจัยและอวิคตะปัจจัยแก่ทำเหล่านั้นด้วยฉันใด ความเป็นหญิงและความเป็นชายวงและเปิดอิทธิภาวะรูปและปุริสะภาวรูปวงและปิดจะช่วยอุปการะแก่อาการมีเพศเป็นต้นโดยอุปการะอะไรอะไรฉั น, นั้นก็หาไม่ได้แต่ว่าอาการมีเพศเป็นต้นซึ่งเป็นไปได้เพราะปัจจัยมีกรรมปัจจัยเป็นต้นตามที่เหมาะแก่ตนนั่นเองฝ่ายเดียวย่อมเป็นปัจจัย แต่การกําหนดรู้ได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายโดยอาการใดเพราะอาการมีเพศเป็นต้นนั้นไม่เป็นไปในสันดานที่เป็นไปร่วมกับความเป็นหญิงและความเป็นชายนั้นโดยอาการอื่นจากอาการที่กําหนดรู้ได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายนั้นบัณฑิตจึงกล่าวความเป็นหญิงและความเป็นชายนั้นว่า มีหน้าที่ให้อาการมีเพศเป็นต้นเป็นไปตามตนและว่าเป็นอินทรีย์เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสความเป็นหญิงและความเป็นชายนั้นว่าเป็นอินทรีย์ปัจจัยท่านพระอนุรธัธาจารย์คำนึงถึงว่า นามเหล่าใดมีความเป็นไปคล้ายจะออกไปจากภายในวัตถุรูปมีหะไทยวัตถุเป็นต้นและรูปเหล่าใดซึ่งเกิดขึ้นได้โดยอิงอาศัยนามนั้นเองมีความเกี่ยวเนื่องในสัมพโยกวงและเปิดมีเอกุปปาท่าเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นต้นวงและปิดนามและรูปเหล่านั้นนั่ น, น, นแหละเป็นวิปยุตต์ปัจจัยวงและกเปิดแก่กันและกันวงและปิดส่วน รูปทั้งหลายไม่มีความเกี่ยวเนื่องในสัมปโยกกับรูปทั้งหลายรูปเพียงเป็นอารมณ์แก่นามซึ่งเกิดได้เพราะอิงอาศัยวัตถุรูปนั่นเองชื่อว่าเป็นอารมพนะ์ณะเพราะเหตุนั้นนามทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีความเกี่ยวเนื่องในสัมปโยกกับรูปอันเป็นอารมณนะ์ณะแม้นั้นเพราะเหตุนั้น ทำเหล่าใดมีความเกี่ยวเนื่องในสัมปโยคทำเหล่านั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นวิปยุตตะปัจจัยดังนี้จึงกล่าวคําว่าโอกันติกนีวัตถุดังนี้เป็นต้นอธิปัจจัยและอวิกตะปะจัจจัยนี้มีอย่างละห้าประเภทคือสหชาตปัจจัยสามประการหนึ่ง ปุเรชาตปจัจจสองประการหนึ่งปัจฉาชาตปจัจจหนึ่งประการหนึ่งที่ท่านพระอนุรุทธาาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจนามและรูปตามสมควรโดยประการทั้งปวงคือโดยอาการทั้งปวงในบรรดาอาหารทั้งหลายกวรีการะาหารหนึ่งรูปะชีวิตติทรีหนึ่งก็ ความที่ทำทำอุปการะโดยภาวะที่มีอยู่เฉพาะแก่เราทำที่ไม่ทำอุปการะโดยความไม่มีภาวะที่มีอยู่เพราะความที่ทำเหล่านั้นเป็นสภาวะคั้มจุนทำเช่นนั้นนั่นแหลโดยภาวะแห่งตนที่มีอยู่ซึ่งมีสภาวะเป็นปัจจุบันชื่อว่าความเป็นอธิปัจจัยเพราะเหตุนั้นพระนิพพาน ซึ่งมีได้ทุกการจึงไม่มีความเป็นอธิปั จ, จัยและอวิคตปัจใจอีกอย่างหนึ่งความที่ทำทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยอุปาทขณะเป็นต้นเป็นสภาวะกระทาอุปการะซึ่งผิดจากความที่ทำซึ่งทำอุปการะโดยภาวะที่ไม่มี และซึ่งผิดจากความที่ทำซึ่งกระทําอุปการะโดยภาวะที่ไปปราด ช, ชื่อว่าความเป็นอธิปัจัยเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพระนิพพานนั้นจึงไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอธิปัจัยและอวิคตาปัจจัยนั้นก็บรรดาอธิปัจัยห้าอย่างนี้รูปชีวิตินทรียีพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่ทรงถือเอาในสหชาติปัจจัยเพราะความเป็นธรรมชาติกระทรรมอุปการะเฉพาะในทิฏฐิขณะเปรียบเหมือนโอชาฉะนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวรูปชีวิตตินรีนั้นไว้แผนกหนึ่งบัดนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์หวังจะแสดงว่าปัจจัยธรรมแม้ทั้งหมด ว่าโดยย่อมีสี่อย่างเท่านั้นจึงกล่าวคําว่าอาลัมพนูปะเปคัตฉันติดังนี้ความจริงปัจจัยอะไรอะไรที่ไม่ถึงความเป็นอารมณ์แก่จิตและเจตสิกทั้งหลายและไม่ถึงความเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ธรรมที่อาศัยปัจจัยของตนของตนเกิดขึ้นมีอยู่หาไม่ได้ก็เพราะความเป็นไปแห่งโลกมีกรรมเป็นมูลเหตุ ปัจจยธรรมทั้งหมดจึงไม่พ้นสภาวะแห่งกรรมด้วยอำนาจผลเป็นไปในเหตุก็ปัจจัยธรรมเหล่านั้นมีอยู่แน่แท้ทั้งโดยปรมติและด้วยอำนาจโลกสมมติเพราะเหตุนั้นปัจจยธรรมแม้ทั้งหมดย่อมถึงการประมวลลงในปัจจยธรรมสี่ประการบัด นี้ท่านพระอนุรุตธาอาจารย์หวังจะแสดงว่าคําที่อาจารย์กล่าวไว้ในฐานะแห่งปัจจัยนั้นๆว่าสหชาตารูปังทั้งหมดบัณฑิตพึงเห็นโดยขวามไม่แปล ก, กันจึงได้กล่าวคํามีคําว่าสหชาตารูปังดังนี้เป็นต้นขวามจริงรูปที่ชื่อว่าสหชาตารูปแม้โดยประการทั้งปวงย่อมมีสองอย่างคือ รูปที่มีจิตเป็นสมุติฐานในประวัติการและกรรมมชะรูปกล่าวคือกตัตตารูปในปฏิสนธิการเพราะความที่รูปมีจิตเป็นสมุติฐานไม่เกิดมีในปฏิสนธิการและเพราะรูปมีกรรมเป็นสมุติฐานในประวัติการไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าเกิดขึ้นร่วมกันกับจิตและเจตสิก รูปทั้งหลายที่บังเกิดอยู่เพราะความที่กรรมอันสัตว์ทำแล้วชื่อว่ากระตัตารูปมีวาจาประกอบความว่าทำทั้งหลายอันเป็นไปในการสามคือมีการสามด้วยอำนาจปัจจัยธรรมที่เป็นไปในอดีตการห้าอย่างคืออนันตรปัจจัยหนึ่งสัมนันตระปัจจัยหนึน่ง อาเสวะนาปัจจัยหนึ่งนาฏปัจจัยหนึ่งวิคตะปัจจัยหนึ่งแห่งกรรมมปัจจัยที่เป็นไปในการสองคืออัดีตการหนึ่งปัจจุบันนการหนึ่งแห่งอารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยที่เป็นไปในการสามและแห่งปัจจยธรรมสิบห้าประการนอกนี้ที่เป็นไปในปัจจุบันนการที่พ้นจากการด้วยอำนาจพระนิพพานและบัญญัติธรรม ทั้งที่เป็นภายในด้วยอำนาจจากขุปาทรูปเป็นต้นและทำ ม, มีราคะและศรัท ธ, ธาเป็นต้นทั้งที่มีในภายนอกจากที่เป็นภายในนั้นคือบุคคลอุตุและโพชนะเป็นต้นทั้งที่ถูกปัจจัยปรุงแก่งโดยความเป็นปัจจยุ ป, ปันธธรรมทั้งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแก่งโดยภาวะที่ตรงข้ามจากสังกตธรรมนั้นเหมือนกัน ตามกําเนิดคือตามความเหมาะสมแก่กําเนิดว่าโดยสังเขปดํารงอยู่แล้วโดยสามประการคือบัญญัติธรรมนามธรรมและรู ป, ปรธรรมชื่อว่าปัจจัยกล่าวคือปัจจัยยี่สิบสีอย่างในคัมภีร์ปรฐานคือในปรกรณ์ชื่อว่าสมันตปฐานอันมีเนยะไม่มีที่สุดโดยประการทั้งปวง ดังพันนามาชนี้คือโดยนัยดังกล่าวแล้วอย่างนี้บทว่าตัฏฐได้แก่ในบรรดาบัญญัติธรรมนามและรูปเหล่านั้นบัญญัติธรรมมีสองอย่างแยกเป็นวจีบัญญัติหนึ่งวาจากะบัญญัติหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทาจารย์จึงกล่าวคำว่า ปัญญาปิยตาดังนี้เป็นต้นบทว่าปัญญาปิยตาความว่าเพราะความที่บัญญัติที่จะพึงให้ทราบได้โดยประการนั้นๆด้วยคําที่เป็นกรรมะสาธนานี้ท่านพระอนุรุตตาจารย์กล่าวถึงอัถบัญญัติกล่าวคือการอาศัยความเปลี่ยนแปลงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นสมมุติสัจจะ ต่างโดยการกำหนดพิเศษเป็นต้นคือขวามประชุมและขวาวมสืบต่อแห่งรูปธรรมเป็นต้นเป็นอาทิขวามจริงอัตบัญญัตินั้นบัณฑิตย่อมรู้ได้ด้วยนามบัญญัติบทว่าปัญญาปณโตความว่าเพราะเป็นเหตุให้บุคคลรู้ถึงอัตบัญญัติได้โดยประการทั้งหลายขวาวมจริง ด้วยคำที่เป็นกัตตุสาธนานี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์ได้กล่าวถึงนามบัญญัติกล่าวคือชื่อของอัตทั้งหลายอันได้ชื่อว่าบัญญัติเพราะอัตวิเคราะห์ว่าให้ทราบความหมายข้อว่าภูตะปรินามาการมุปาทายะกระวามว่าอาศัยการเปลี่ยนแปลงได้แก่อาการกล่าวคือสภาวะที่แปรผัน โดยอาการมีความเกี่ยวเนื่องด้วยความเข็นแข็งเป็นต้นแห่งมหาภูตารูปทั้งหลายมีปฐวีธาตุเป็นต้นซึ่งเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจความเกี่ยวเนื่องกันคือทำให้เป็นที่อิงอาศัยข้อว่าตถาตาถาได้แก่ด้วยอำนาจภาาพื้นเป็นต้นบทว่าภูมิปรปภตาธิกาได้แก่ บัญญัติว่าแผ่นดินภูเขาและต้นไม้เป็นต้นชื่อว่าสันตานบัญญัติบทว่าสัมภารสันนิเวสาการังความว่าอาศัยการประชุมแห่งเครื่องประกอบคือเครื่องอุปกรณ์มีไม้ดินเหนียวและเส้นได้เป็นต้นได้แก่อาการมีความตั้งอยู่ร่วมกันเป็นต้นนั้นๆอันพิเศษกว่ารูปเขียนบทว่ารัฐะ สกตาธิการได้แก่บัญญัติว่ารถเกวียนบ้านหม้อและผืนผ้าเป็นต้นชื่อว่าสมุหบัญญตัติบทว่าจันทาวัตนาธิกังขวามว่าซึ่งอาการคือขวามหมุนเวียนมีความขึ้นไปเป็นต้นแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์และดาวนักขัตฤรรกทั้งหลายด้วยอำนาจเวียนรอบภูเขาศิเนรุ บทว่าทิสากาลาทิตาความว่าบัญญาาัติว่าทิศตะวันออกเป็นต้นชื่อว่าทิสาบัญญัติบัญญัติว่าเวลาเช้าเป็นต้นชื่อ ว, ว่ากาละบัญญัติและบัญญัติว่าเดือนฤ ด, ดูและเดือนวิสาขะเป็นต้นชื่อว่ามาสะบัญญัติเป็นต้นซึ่งเป็นบัญญัติพิเศษกว่าชื่อนั้นๆบทว่าญญ ประสำผุดถาการังได้แก่ซึ่งอาการมีโพรงเป็นต้นที่รูปกรลาบนั้นนั้นถูกต้องไม่ได้บทว่ากูปะคูหาธิกาได้แก่บัญญัติว่าหลุมถ้ำและช่องว่างเป็นต้นชื่อว่าอาการสบัญญัติบทว่าตังตังภูตะนิมิตตังได้แก่ซึ่งนิมิตแห่งภูตารูปนั้นนั้นมีปฐวีกสินเป็นต้นบทว่าภาวนาวิเศสัง ได้แก่ความสืบเนื่องอันพิเศษแห่งภาวนาต่างโดยบริกรรมเป็นต้นบทว่ากสินะนิมิตตาธิกาความว่าบัญญัติที่แยกเป็นกสินนิมิตและอสุภนิมิตเป็นต้นแยกเป็นอุขะหนิมิตและปฏิภาคานิมิตซึ่งปรากฏแก่พระโยคาวจรทั้งหลายชื่อว่านิมิตบัญญัต บทว่าเอวมาทิเพทาได้แก่และบัญญัติที่แยกเป็นอากาศที่เพิกกรสินและกรสินดับเป็นต้นบทว่าอัถัฐฉายาการเณความว่าโดยอาการคือเงาได้แก่โดยอาการคือส่วนเปรียบเทียบแห่งปรมัตถธรรมบทว่านามนามกรรมมาธินามเณความว่าโดยนามทั้งหกเหล่านี้คือนามนามกรรม นา ม, มัทยะนิรุติพยัญชนะอภิลาปะในบรรดานามเป็นต้นเหล่านั้นสัตรูปที่ชื่อว่านามเพราะอัตวิเคราะห์ว่าน้อมไปในอัตทั้งหลายนามนั้นมีสองอย่างคือนามที่ตั้งกามความหมายหนึ่งนามที่เรียกกันดาดเดินหนึ่ง มีสี่อย่างคือสามั ญ, ญานามหนึ่งคุณนามหนึ่งกิริยานามหนึ่งนามที่ตั้งตามขวามปราถนาหนึ่งกรรมคือนามชื่อว่านามกรรมนามะไทยะก็เหมือนกันการเปล่งคือการกล่าวความประสงค์ออกทางทวารของอักขระชื่อว่านิรุติที่ชื่อว่าพยัญชนะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าทําเนื้อขวามให้ปรากฏ เสียงชื่อว่าอภิลาปะเพราะอัธวิเคราะห์ว่าอัญชนเจรจาได้แก่ลำดับที่ตั้งอยู่แห่งอัคระที่ไปตามเสียงเพื่อแสดงว่าก็นามบัญญัตินี้นั้นมีอยู่หกอย่างด้วยอำนาจวิชมานะบัญญัติอวิชมานะบัญญัติและบัญญัติทั้งสองอย่างนั้นระคนกันท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวคําว่าวิชมานะปั ญ, ญติดังนี้เป็นต้น ข้อว่าเอตายปัญญาเป็นติความว่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมประกาศด้วยคำว่ารูปและเวทนาดังนี้เป็นต้นบทว่าอุพินนางได้แก่แห่งบัญญัติทั้งสองคือวิชมานะบัญญัติและอวิชมานะบัญญัติอภินยาหคืออภินยาห้าอาสวะคยญาณหนึ่งของบุคคลนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงชื่อว่าผู้มีอภิญญาหก ก็นายบรรดาวิชมาเนนะอวิชมาณะบัญญัติเป็นต้นนี้บัญญัติว่าผู้มีอภิญญาหกนี้ชื่อว่าวิชมาเนนะอวิชมาณะบัญญัติเพราะอภิญญาทั้งหลายมีอยู่และเพราะบุคคลผู้มีปกติได้อภิญญานั้นไม่มีอันหนึ่งบัญญัติว่าเสียงหญิงชื่อว่าอวิชมาเนนะวิชมาณะบัญญัติเพราะหญิงไม่มีและเพราะเสียงมีอยู่ บัญญัติว่าจากักรวิญญาณชื่อว่าวิชมาเนนะวิชมาณะบัญญัติเพราะจากักรปัสสาธโรภและวิญญาณที่อาศัยจกักรป่ปสาธโรภนั้นมีอยู่บัญญัติว่าราชโอรสชื่อว่าอวิชมาเนนะอวิชมาณะบัญญัติเพราะพระราชาและพระราชโอรสเป็นสมมุติธรรมบาาคาถาว่าวาจีโคสานุสาเรนะเป็นต้นขวามว่า อัดทั้งหลายที่แยกเป็นสมมุติและประมัตา์อันเป็นโคจรคือเป็นอารมณ์แก่มโนทวารคือแก่ความสืบต่อแห่งวิญญาณจิตที่เกิดทางมโนทวารซึ่งเป็นไปตามอาการคือความคิดถึงชื่ออันมีความสังเกตที่บุคคลกำหนดรู้กันไว้ก่อนแล้วทีเดียวว่าถ้อยคำนี้เป็นชื่อของความหมายเช่นนี้ดังนี้เป็นเครื่องอิงอาศัย ซึ่งเกิดขึ้นในลำดับต่อจากความเป็นไปแห่งโสตวิญญาณวิถีอันเป็นไปตามความหวนระลึกถึงคือไปตามเสียงซึ่งสำเร็จมาจากคำพูดว่าแผ่นดินภูเขารูปและเวทนาเป็นต้นได้แก่โดยการทำให้เป็นอารมณ์อันบันดิตย่อมรู้ได้ต่อจากการกำหนดรู้ชื่อนั้น โดยความหวนระลึกถึงคือโดยความไปตามนามบัญญัติซึ่งมีสมมุติและประมัตาร์เป็นอารมณ์ใดนามบัญญัตินี้นั้นคือบัญญัติที่แสดงถึงอัตที่จะพึงบัญญัติมีแผ่นดินภูเขารูปและเวทนาเป็นต้นอันบันิตกำหนดหมายรู้ตามความสังเกตของชาวโลกคืออันสำเร็จ ความหมายตามโวหารของชาวโลกอันเป็นระเบียบแห่งอักษรที่บุคคลกําหนดรู้ได้ทางมโนทวานอันบัณฑิตพึงรู้ว่าเป็นบัญญัติคือพึงรู้ว่าเป็นนามบัญญัติกล่าวคือปัญญาปณโตบัญญัติก็ในคาถานี้ท่านพระอนุรุตตาจารย์รวบรวมแม้ซึ่งวิถีจิตที่เกิดทางมโนทวาน ซึ่งเกิดมีในลำดับต่อจากโสตะวิญญาณวิถีด้วยศัพท์ว่าโสตะวิญญาณวิถีนั่นเองแล้วกล่าวคาว่าโสตวิญญาณวิตยาอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าความจริงเมื่อบุคคลได้ยินเสียงว่าคาตะเป็นต้นเชวนาจิตปรารบเสียงแต่ละอักษรเกิดมีอักษรละ สวาระด้วยอำนาจปัจจุบันนารมณ์วาระหนึ่งและอตีตารม์วาระหนึ่งชวนาจิตปรารบระเบียบอักษรที่เป็นนามบัญญัติซึ่งจำได้ด้วยปัญญาเกิดมีอีกวาระหนึ่งรวมความดังกล่าวมานี้ในลำดับต่อจากชวนะวิถีอันมีเสียงที่เป็นอดีตเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นลำดับต่อจากโสตวิญญาณวิถี จึงกำหนดรู้ถึงนามบัญญัติได้ต่อแต่นั้นไปจึงทราบความหมายได้ด้วยประการชนีพันานาความป ร, ริเฉดที่แปดในดีกาอภิธรรมมัฏฐสังหะชื่อว่าอภิธรรมมัฏฐวิภาวินีจบแล้วด้วยประการชนีพันานาความป ร, ริเฉดที่เก้ามีวาจาประกอบความว่า เบื้องหน้าแต่นี้คือแต่การแสดงขไขปัจจัยไปข้าพเจ้าวงเล็บเปิดพระอนุรุท ธ, ธาจารย์วงเล็บปิดจะกกล่าวกรรมฐานคืออารมณ์ที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นเหตุประพฤติกรรมในภาวนาสองอย่างและภาวนาวิธีที่ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นประฐานแห่งการทําความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ทั้งสองอย่าง แห่งภาวนาสองอันท่านเรียกว่าสมถะโดยอาจว่าสงบนิวรณ์ทั้งหลายได้และอันท่านเรียกว่าวิปัสนาโดยอาจว่าเห็นใะวงเล็บสังขารโดยอาการต่างชนิดมีอาการไม่เที่ยงเป็นต้นตามลำดับคือโดยลำดับแห่งสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาที่ชื่อว่าราคะจริตเพราะอาจว่าเป็นจริตได้แก่ ความประพฤติกิริยาทั่วไปคืออาการกำหนัดแม้โทสัจจริตเป็นต้นก็มีนัยยะอย่างนี้ที่ชื่อว่าจริตะสังขโหได้แก่การจัะรวมบุคคลด้วยอำนาจจริตที่เป็นมูลแต่ความประพฤติในวงเล็บของบุคคลมีได้63ประการด้วยอำนาจจริตที่รัคนกัน แ, แล สมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้วงเล็บเปิดในคำพีนามะรูปปาปริเฉตวงเล็บปิดว่าในหมวดจริตสามมีราคะจริตเป็นต้นมีจริตเจ็ดประการหมวดหนึ่งในหมวดจริตสามีศรัทธาจริตเป็นต้นมีจริตเจ็ดประการหมวดหนึ่งว่าโดยเชือปนกันทั้งในจริตที่มีมูลเดียวสองมูลและสามมูลจึงมีหมวดเจ็ดแห่งจริตเจ็ดหมวด ความจริงในหมวดจริตสามมีราคะจริตเป็นต้นเป็นอาทินี้จริตมีสิบสี่ประการเพราะไม่เอาหมวดจริตสามทั้งสองหมวดฆะกันอย่างนี้คือในหมวดจริตสามที่มีราคะจริตเป็นต้นมีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งอย่างนี้ได้แก่ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตราคะโทสะจริตราคะโมหจริตโทสะโมหจริตราคะโทสะโมหจริต และแม้ในหมวดจริตสามที่มีสัทธาจริตเป็นต้นก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งได้แก่สัทธาจริตพุทธิจริตวิตกจริตสัทธาพุทธิจริตรัทธาวิตกจริตพุทธิวิตกจริตสัทธาพุทธิวิตกจริตแต่เมื่อประกอบหมวดจริตสามที่มีราคะจริตเป็นต้นกับหมวดจริตสามที่มีสัทธาจริตเป็นต้นด้วยอำนาจมูลเดียวสองมูลและสามมูลแล้ว ในนใัยยะแห่งจริตมูลเดียวย่อมมีหมวดเจ็ดแห่งจริตสามหมวดอย่างนี้ได้แก่ในนัยยะแห่งจริตท <ER ี crafting, music, ่มีราคะเป็นมูลมีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งคือราคะสัทธาจริตราคะพุทธิจริตราคะวิตกจริตราคะสัทธาพุทธิจริตราคะสัทธาวิตกจริตราคะพุทธิวิตกจริตราคะสัทธาพุทธิวิตกจริต และแม้ในนัยะแห่งจริตที่มีโทสะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยนัยะเป็นต้นว่าโทสะสัทธาจริตโทสะพุทธิจริตโทสะวิตกจริตแม้ในนัยะแห่งจริตที่มีโมหะเป็นมูลก็มีหมวดเจ็ดแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยนัยะเป็นต้นว่าโมหะสัทธาจริตอะนหนึ่ง แม้ในในัยยะแห่งจริตสองมูลก็มีหมวดเจแห่งจริตสาหมวดโดยนัยยะเป็นต้นว่าราคะโทสะสัทธาจริตราคะโทสะู้ที่จริตราคะโทสะวิตกจริตเหมือนในในัยยะแห่งจริตมูลเดียวฉะนั้นส่วนในในัยยะแห่งจริตที่มีสามูลมีหมวดเจแห่งจริตหมวดหนึ่งโดยนัยยะเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหสัทธาจริต รวมความดังกล่าวมานี้โดยนัยะที่เจือปนกันมีจริตสี่สิบเก้าประการด้วยอำนาจหมวดเจ็ดแห่งจริตเจ็ดหมดจริตสี่สิบเก้าประการเหล่านี้และจริตสิบสี่ประการข้างต้นรวมความว่าบัณฑิตพึงเห็นจริต63สาประการด้วยประการชนี ส่วนอาจารย์บางพวกพันนาไว้ว่าจริตทั้งหลายรวมกับทิฏฐิจึงมี64ประการภาวนาอันเป็นส่วนเบื้องต้นซึ่งทำการปรุงแก่งภาวนาหรือเป็นการริเริ่มทำภาวนาชื่อว่าบริกรรมภาวนา กามาวาจรภาวนาซึ่งเริ่มต้นแต่ขมนิวรได้จนถึงมีโคตรรภูญานเป็นที่สุดชื่อว่าอุปจาระภาวนาเพราะเป็นไปใกล้อัปนาดุดฌานบ้านเป็นต้นฉะนั้นภาวนาที่ถึงความเป็นมากก็ละชื่อว่าอัปนาภาวนาเพราะมีวิตกที่เรียกว่าอัปนาเป็นประธาน ที่ชื่อว่าวิตกเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นไปดุดยังสมปยุตธรรมทั้งหลายให้แนบแน่นในอารมณ์ได้แก่อัปปนาจึงอย่างนั้นวิตกนั้นท่านชี้แจงไว้ว่าอปปนาที่แน่วแน่โดยพิเศษชานธรรมฝ่ายมากัตตะและโลกุตระแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าอัปปนาด้วยอำนาจความมีวิตกนั้นเป็นประธาน ที่ชื่อว่าบริกรรมนิมิตเพราะอัถวิเคราะห์ว่าชื่อว่านิมิตแห่งบริกรรมเพราะเป็นอารมณ์ได้แก่ดวงกสินเป็นต้นที่ชื่อว่าอุกหะนิมิตเพราะอธิวิเคราะห์ว่าอันพระโยคาวจรพึงเพ่งบริกรรมนิมิตนั้นนั่นเองด้วยใจคล้ายเห็นด้วยตาหรือเป็นนิมิตของพระโยคาวจรผู้เพ่งนิมิต นิมิต ท, ที่เว้นจากโทษแห่งกสินมีรูปที่คล้ายกับอุกหะนิมิตนั้นเป็นต้นชื่อว่าปฏิภาคานิมิตเพราะเป็นอารมณ์ของอุปจาระภาวนาและอัปนาภาวนาที่ชื่อว่าปัทวีกสินเพราะอัถวิเคราะห์ว่าชื่อว่ากสินเพราะอัดว่าทั่วไปโดยภาวะที่ไม่ดำรงอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วพึงแผ่ไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดคือ ปัวีดวงกสิณหนึ่งปฏิภาคณิมิตหนึ่งฌานที่มีปฏิภาคณิมิตนั้นเป็นอารมณ์หนึ่งท่านเรียกว่าปัทวีกสิณแม้ในอาโปกสิณเป็นต้นก็มีนัยยะอย่างนี้เหมือนกันพึ่งเห็นความหมายว่าในบรรดากสิณทั้งสิบเหล่านั้นกสิณสี่มีปัทวีกสิณเป็นต้นชื่อว่าภูตะกะสิณ กสินสีมีนีลกรสินเป็นต้นชื่อว่าวันนกสินอากาศที่กำหนดชื่อว่าอากาศกสินแสงสว่างมีแสงพระจันทร์เป็นต้นชื่อว่าอาโลกากสินซากศพที่พองคืออืดขึ้นชื่อว่าอุทอทุมาตะอุททุมาตั้นนั่นเองชื่อว่าอุททุมาตะกะอสุภะเพราะอาจว่าน่าเกลียดแม้ในอสุภะที่เหลือทั้งหลายก็มีนัยยะอย่างนี้ ซากศพที่เจอด้วยสีขาวและสีแดงเป็นต้นโดยมากมีสีเขียวชื่อว่าวิณีรกะอสุภะเพราะกระทำอธิบายว่ามีสีเขียวโดยพิเศษซากศพที่หน้องไหลออกอยู่ชื่อว่าวิปุภะกะอสุภะซากศพที่ถูกกัดท่ามกลางออกเป็นสองท่อนชื่อว่าวิจิตทกะอสุภะ ซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆชื่อว่าวิขหายตกะอสุภะซากศพที่ถูกสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่างๆแล้วทิ้งไว้ในที่นั้นๆชื่อว่าวิกิจตกะอสุภะซากศพที่เขาเอาสัตราตัดโดยอาการอย่างกับตีนกาเป็นต้น ทิ้งกระจัดกระจายไปชื่อว่าหตะวิขิตกะอาสุพะซากศพที่มีโลหิตไหลออกชื่อว่าโลหิตกะอาสุพะซากศพที่มีมูนอนไหลออกชื่อว่าปุรุว ก, วกะอาสุภะกระดูกโดยที่สุดแม้เพียงท่อนเดียวก็ชื่อว่าอัธิกะอาสุพะการระเลึกถึงเนืองๆชื่อว่าอนุสติ อนุสติอันมีพุทธคุณมีความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าพุทธานุสติอนุสติอันมีธรรมคุณมีความที่พระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าธรรมานุสติ อนุสติอันมีสังคคุณมีความที่พระสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ชื่อว่าสังขานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงคุณแห่งศีลของตนอันบริสุทธ์ด้วยดีโดยความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้นชื่อว่าศีลานุสติ การระลึกถึงเนือ ง, งถึงการบริจาคของตนด้วยอำนาจความเป็นผู้ปราศจากความสรณีอันเป็นมนทินเป็นต้นชื่อว่าจาคานุสติ การระลึกถึงเนืองๆโดยคุณมีศรัทธาเป็นต้นของตนโดยยกเทวดาไว้ในฐานะเป็นพยานอย่างนี้ว่าเทพทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นเหล่าใดถึงความเป็นเทพได้คุณทั้งหลายเช่นนั้นมีอยู่ในเราดังนี้ชื่อว่าเทวตานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบระ ง, งับทุกข์ทั้งปวงชื่อว่า อุปสมานุสติการระลึกถึงเนืองๆถึงความตายอันเป็นเครื่องเข้าไปตัดชีวิตินทรีชื่อว่ามรณ า, านุสติสติอันไปแล้วคือเป็นไปแล้วในส่วนแห่งกายมีผมเป็นต้นชื่อว่ากายะขะตาสติการหายใจเข้าและการหายใจออกชื่อว่าอาณาปานะได้แก่ลมอสาสาสะปัสสาสะ สติอันมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นอารมณ์ที่ว่าอาณาปานสติที่ชื่อว่าเมตตาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ารักใคร่คือเยอะใยญ่หรือที่ชื่อว่าเมตตาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีในมิตรทั้งหลายเมตตานั้นมีลักษณะนำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายกัลรุามีลักษณะประสงค์จะบำบัดทุกข์ของผู้อื่น มุทิตามีลักษณะโปรยชื่นชมสมบัติของผู้อื่นอุเบกขามีลักษณะเป็นไปโดยอาการวางกลนเป็นกลางในอิทธารมณและ อ, อนิถารม์ที่ชื่อว่าอ ป, ปมัญญาเพราะมีสัตว์อันหาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ชื่อว่าพรหมวิหารเพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่อย่างสูงสุดหรือเพราะเป็นธรรมเครื่องอยู่ของขั้นผู้สูงสุด สัญญาที่เป็นไปในกาวลีกาลาหารว่าเป็นของปฏิกูลด้วยอำนาจการพิจารณาถึงการไปการแสวงหาและการบริโภคเป็นต้นชื่อว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาการกําหนดท่าศรีมีปฐวีท่าเป็นต้นโดยลักษณะของตนและโดยเครื่องประกอบมีผมเป็นต้นเป็นอาทิชื่อว่าจตุธาตุ ว, วัฏฐาน ภาวนาอันเป็นไปแล้วในอารมณ์อันเป็นนามธรรมชื่อว่าอารุ ป, ปภาวนาบัดนี้ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงกรรมฐานอันเหมาะแก่จริตของบุคคลนั้นๆจึงกล่าวบาลีมีว่าจริตตาสุปณะดังนี้เป็นต้นก็บุคคลที่ชื่อว่าเป็นราคะจริตเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีราคะเป็นจริต คือเป็นปกติได้แก่บุคคลผู้มากไปด้วยราคะอสุภกรรมฐานชื่อว่าเหมาะแก่เขาเพราะเป็นค่าศึกโดยตรงต่อราคะอาณาปานกรรมฐานชื่อว่าเหมาะแก่คนโมหจริตและคนวิตกจริตเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อโมหะด้วยความเป็นวิสัยแห่งปัญญาและ เป็นเครื่องห้ามความเล่นไปของวิตกอนุสติหกมีพุทธานุสติเป็นต้นชื่อว่าเหมาะแก่คนศรัท ธ, ธาจริตเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญศรัท ธ, ธามรณะสติอุปสมานุสติอาหาเรปติกูณัญญาและจะตุธาตุววัฏฐานชื่อว่าเหมาะแก่คนพุทธิจริต เพราะเป็นวิสัยแห่งปัญญาอย่างเดียวโดยความเป็นของลึกซึ้งบทว่าเศสานิได้แก่กรรมฐานสิบอย่างคือผู้ตากะสินสี่อาการกสินหนึ่งอาโลกากะสินหนึ่งและอรูปฌานสี่บทว่าตถาปิได้แก่บรรดากรรมฐานสิบเหล่านั้นกรรมฐานที่มีอารมณ์กว้างขวางชื่อว่าเหมาะแก่คนโมหจริต เพราะในโอกาสทับแคบจิตมัวมนมากมายกรรมฐานที่มีอารมณ์เล็กน้อยชื่อว่าเหมาะแก่คนวิตกจริตเพราะความที่อารมณ์กว้างใหญ่เป็นปัจจัยแก่ความเล่นไปของวิตกก็ข้อความที่กล่าวมานี้ท่านพระอนุรุธทธาาจารย์กล่าวไว้เพราะเป็นข้าศึกโดยตรงนั่นเองและเพราะเป็นกรรมฐานที่เหมาะยิ่ง แต่ชื่อว่ากสินภาวนาเป็นต้นที่ไม่ข่มกิเลสมีราคะเป็นต้นหรือที่ไม่ทำอุปการะแก่อินทรีมีสัตตินทรีเป็นต้นย่อมไม่มี